ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้รัตนาอาภาอัตโตหิพีชคณิตอุไทยวัฒนาสุชาดาแซ่ซื่อกัญญนททองบุญจิรวินหาไทยรัตจรุณีวานิธนันคูลเปรมฤดีมีแสงนินพิญยาดารมโพอัจฉราโสภาสุการดาเขนสุโผรมมาลาดมุ่งวิชาจุติการสิบหมู่เิริกรพุทธิพงกาละรันจูชาติเรียนทองครอบครัวโถสกุล ครอบครัวงามสุริยพงศ์ครอบครัวคำสุภาอังคณามุญาทิพกุลร่วมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพะานังธรรมานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอริยคุณพุทธธรรมโจโชเสียงธรรมชมรมคนดีสำหรับชื่ออริยคุณนั้นเป็นชื่อที่เปลี่ยนไม่ได้หลายปีแล้วนะครับนามสกุลเก่านั้นนับถือคริสต์กันทั้งหมด จึงเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานภาพการนับถือศาสนาในปัจจุบันชี้แจงตรงนี้เพิ่มเพราะข้อมูลในเน็ตจำนวนมากอาจจะยังขึ้นชื่อเก่าอยู่นะครับในปัจจุบันมีคนใช้ชื่อ โ, โจโฉจํานวนมากและบางชื่อก็ใกล้เคียงกันซึ่งอาจทําให้เข้าใจผิดได้ง่ายนะครับและสําหรับเบอร์โทรเก่าและเบอร์โทรหน้าแผ่นทั้งหมดรวมถึงไอดีไลน์ที่ลงไว้ในหนังสือปัจจุบันเลิกใช้หมดแล้วนะครับจึงโปรดระวังคนแอบอ้างเป็นโจโฉและคนของชมรม หากต้องการติดต่อหรือร่วมบุญกับชมรมผลดีควรตรวจสอบให้แน่ใจดูดูช่องทางการติดต่อหรือเบอร์โทรล่าสุดที่เว็บไซต์โจโฉดอทเน็ตขอทุกท่านรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในเร็ววันนี้ทุกท่านด้วยเถิน